บุ๊กทูยี่สิบแปดในโรงแรมการร้องเรียนโฮเทลเดะคุโจฝักบัวใช้งานไม่ได้ชาวไม่มีน้ําอุ่น お湯が出ませんมคุณมาซ่อมมันได้ไหมครับชูしてもらえますかในห้องไม่มีโทรศัพท์เฮียร์นี่เดวะกาไมในห้องไม่มีโทรทัศน์เฮียนี่เทเซห้องไม่มีระเบียงเฮียร์นีません ห้องนี้เสียงดังเกินไปห้องนี้เล็กเกินไปห้องนี้มืดเกินไปเครื่องทำความร้อนไม่ทำงานงเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน エアコンがอきませんトラทッโทรทัศน์ไม่ทำงานทレวが壊れていますผมไม่ชอบเลยไม่ชอบมันแพงเกินไปคุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับมっと安いยはありますนวสค มีพักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับ近くにユースホステルはありますかมีเบดแอนด์เบรกฟาใกล้ที่นี่ไหมครับ近くにペンションはありますかมีร้าอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับ近くにレストランはありますか